นี่ ฝนตกตอนหน้าแลง้งเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจง้งเหมือนลมหนาวเดินเมซาเหมือนหัวใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคุณรู้จักเหมือนเจอคองสำคัญที่หล่นหายเหมือนไรยนั้นกลายเป็นดีมากเหมือน ที่ฉันันได้มาพบกับเธอ For y l u ได้ได้มามีเธอนั้นเป็นคนให้หัวใจ